การทำต่ออรื่องพ่อเป็นผูพ้พูด่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังการฟังทับก็คือการฟังเรื่องที่เกิดกับไายกับใจเรานีู่้พูดผู้แ ด, ด, ดง ก็มีประโยชน์ได้บลุธรรมไปด้วยอย ท, ที่พูดออกมาเหมือ น, นกับการทว น, น, นแาจะท่องหนังสือถ้าไม่ทวนมันก็ไม่จำดิจำนานผู้ฟังก็ย่อมได้ประโยชน์ ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแล้วผู้ฟังก็มีประสบการณ์สิ่งที่ได้ยินเกิดกับเกิดขึ้นจากกอจากใจเราเหมือนกับผู้แสดงพูดผู้เทศนามาพู ด, พ ด, จ, พดจึงเรียกว่าเทศนาใหม่ ธรรมัตสวาาธรรมัตสวาามายัยผู้สแสดงก็เป็นที่เกิดแด่งบุญผู้ฟังก็เป็นที่เกิดแห่งบุญในจิตยาที่เกิดบุญนอกจากทอนจากศีลแล้วยังมีอีกมากมายสิบอย่างจึงเป็นเรื่องที่ ถูกต้องที่สุดจำเป็นที่สุดยิ่ ง, งเรามีภาวนาใหม่คือเจริญสติขยันลูเป็นบุญนอนสูงสุดนอกจากทานจากศีลทานใหม่ศีลละใหม่ภาวนาให ม, สให ม, ใหม่สูงขึ้นไปกว่าทานกว่าศีล ไม่จนปลอยใจเรานี่ไม่จนมีเส้นทางที่สร้างมาสร้างผลได้เจ อ, เอะแยะแต่ถ้าเราแสรงหนาถ้าปล่อยอปล่อยเจทิ้งค่ขงข้างก็จะมีแต่ทุกข์แต่โทษมืดบอดได้เช่นกันเาได้ อาวนาใหม่ประสบการณ์สิง ท, ที่มันเกิดขึ้นกับกาวกับจอยเอา จ, จะโต้ตบทกท้วงเปลี่ยนแปร ง, ข, งข้างเล่าข้างเล่าผิดเปลี่ยนเป็นถูก ข, ข้างเล่าข้างเล่าได้ทำถูกบ่อยๆทำถูกบ่อย ถ, ถึงถึงจดไวนป่ายทาง หลงเป็นรูปสุขเป็นรูปทุกข์เป็นรูปอะไรที่มาเกิดกับตากับใจนี่ถึงภาวะที่รู้ได้ทำไปแล้วได้เห็นแล้วได้ทำแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วจนเห็นความเท็ความจริงเห็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นสูตร เหหลักสูตรเห็นลูกเห็นนามเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกมากมายเป็นพระสูตรไปก็มีสูตรบุญสูตรกุศลตั้งต้นจากต้นหนอกุศลตั้งต้นจากต้นไหนยจบที่ตรงใดกุศลตั้งต้นจากต้นไหน หมดที่ตรงไหนจบที่ตรงไหนอาจจะลู่ทิศรู่ทางผู้ที่ภาวนาใหม่ได้จเจริญภาวนาจจ่มเหมือนกระแสไม่มืดเหมือนกะทางฟบอกคลิปลีเนไฟ DC ที่เราพักตามโรงแรมมีทางบอกเวลาไฟ AC มันดับมียังมีไฟ DC บกว่ทางออกหรือเห็นแสงไฟออกไปตามทางนั้นอีกหน่อยก็โล่งแจ้งไม่มืดกระแสแห่งโลกนิพพาน เกลอนให้ความหลงมีกระเสือมกระตรงกันข้ามความรู้อยู่ในข่าวเดียวกันไ ม, ม่ยากวิธีปฏิบัติต้องไม่ยากประกอบขึ้นมาอยู่ในข่าวเดียวกันท่า น, นเองฝึกตนสอนตนหย่อนี้บางอย่างก็จบไปไวๆบางอย่างก็ช้าหน่อย อย่าง ว, าว่าสัตวะบันละสัญญาติสมัมจบไวัยวัยจบไวัยวพรละชิกิทาามีจุปาะสัญญาติสาปนาคามีละสัญญาติสิปเข้าสูถ้าเมืองท่าพร้อมจะข้ามได้ยังหนึ่งเก้าสองเก้าถึงฟังได้ นิดหน่อยไม่ถอยหลังอีกแล้วหลัใดเวลาเราปฏิบัติสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปนั้นุษสายเรียกว่าสังโยชน์นี่ก็ต้องมีความคมบ่ิสุทธว์ส่วนความโกรธความหลงความทุกข์นึ่งไม่ยากเันตอบกลบ้วยกาบเลยก ถ้มีสติจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรร ม, มก็ไม่มีท่าแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วกายกราะว่ากายว่าจะจัดบุคคลตัวตนเราเขาอันที่ว่าสุว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาไปจากต ว, ว่า จิตที่มันคิดไปโน่นก็สักว่ามันคิดไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขาธรรมที่มันเป็นความเฉื่อมความจุลนที่เป็นเกิดขึ้นกับกวากับกายก็เป็นจักตวาธรรมเป็นเช่นนั่นเองไม่ใช่ชัตุคุณตัวตนเราเขาไม่เอาเรื่องของกายมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นจุกเป็นทุกข์ไม่เรื่องของความจุควมทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนที่เป็นรับใช้ความจุความทุกข์ ความคิดก็เช่นกันแต่ก่อนความคิดก็เป็นสุขเอาความสุขไปห้อยไปฉีนเอาชีวิตไปห้อยไปฉีนด้วยกับความสุขความทุกข์ความคิดคิดขึ้นมาพืาให้สุขคิดลาภให้รู้วันนี้เห็นหวันเพียงแต่แต่ ว, ต ว, ว่าความคิดจากตั ว, ว่าีิดธรรมก็เช่นกันตัว น, นั้นเพราะดึง ความกดความโลภความหลงหาที่ตั้งไม่ได้เพราะไม่มีที่แห่งตั้งแล้วก็จะเสื่อมล้าหรือเบาบางจางขายก็สู่แห่งพระโสดาบันเบ้งต้นตำลายความโลภความกดหลงบังวมหลงลงได้หรือน้อยลงนี่เป็น มันก็เป็นความหลุดพ้นได้เห็นแล้วได้ทมแล้วทำได้แล้วทุกท่องเที่นไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องทำได้แล้วทำให้ได้แจ้งแล้วแจ้งแล้วจริงๆริงตอบได้จริงๆริงมันเกิดขึ้นกับเราแน่สัมผัสแล้วตอบได้จริงๆงไม่ต้องถามใครผู้ภาวนาพยายอมลูกต้องเห็นประสบการณ์ ให้มีขมเถาะกองหลงเป็นอย่์ลอยกล่มไม่หลงเปจรรย์ลอยกองทุกข์เป็นอย่างไรความไม่ทุกข์เป็นอย่างไรผู้มีภาวนาเปลี่ยนร้ยเป็นดีขยันรู้อยู่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นรู้เปลี่ยนเป็นลูลนนล้มีความยำนานไม่เบี่ยงขบถที่บายให้เหมือนรัฐธรรมา น, นุนรัตธรรมานุนต้องอธิบายตีความ มากมายหลายอยองเอาความผิดเป็นความถูกก็นีเอาความถูกเป็นความผิดก็ได้แน้วแต่มายอดอสไทยได้เรียมของผู้ศึกษาหาัวชงว่างแต่ความจริงในชีวิตของเรานี่ตัวเราจะหลอกตัวเราไม่ได้จะ ทมให้จริงที่ไม่ถู ก, กเป็นความถูกไม่ได้เด็ดขาดความหลงไม่ถูกต้องเด็ดขาดเด็ดขาดความทุกข์ไม่ถูกต้องเด็ดขาดกองไม่ทุกถูกต้องที่สุดที่สุดต้องที่สุดนี่คือของจริงดงเห็นเป็นรูปเป็นดานเป็นรูปจริงจรรูปมันเป็น รูปจริงๆมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมีจริงๆในรูปนี้แล้วก็ต่อยอดได้ใหม่ได้จริงๆรูปนี้พัฒนาได้ยิ่งนามยิ่งพัฒนาได้ง่ายนิดเดียวทวานของนามคือมันคิดคือจิตใจนี่คือมันคิดง่ายๆความคิดก็มาได้จีช่องจีว่าเอื้อ ม, มรู้จักตัวก็ไม่ได้ไปขอยืมใครไม่ต้องขอยตดใคร เวลาหมั่โกรธต้องขอญาติอาจารย์ให้อาจารย์สั่งไม่มีในโลกเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติประสบการด้วยตนเองไม่ต้องมีคำถามถ้าเรามีสติแล้วก็เป็นเช่นเป็นทางไปแล้วทำแล้วทำแล้วทำแล้ว แล้วมันก็บอาได้าทาแล้วได้รู้แล้วได้เห็นแล้วได้ทําทแล้วทํำไปแล้วอ็เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาบอกความเท็จความจริงต่อกันเมื่อทำในแล้วจึงมาสอนจึงมาบอกทาเปลี่ยนแล้วจึงมาสอนจึงมาบอก ้าทำไปได้ก็ไม่ได้บอกไปสอนทำยับไม่ได้วก็ไม่ได้บอกไปรอนทาไมแล้วจไม่ได้ทำไมแล้วจึงบอกไม่ได้เพราะมันผ่านมากเมือนก็เราเคยมุดเคยโผล่อยู่ในห้องน้ำสุกๆๆๆทุกทุกบัดนี้เราขึ้นฝังถึงฝัง แล้วก็รู้ทาไมจะไม่รู้เปรียบเทียบกับการถึงขวางนั่งอยู่ไม่ต้องมุดต้องหุดต้องแหวต้องว่ายแล้วใช่เรื่องเก่าอยู่เช่นนั้นหลงแล้วหลงอีกกดแล้วโกดอีกทุกแล้ ว, ท, ลว ท, ท, ทุกอีกอสุกแล้วสุกอีกหวางสูกคนทุกยุคยังแล้วแต่สะสมมุดปัญหยักไม่ใช่ประมัดสับจับ หลบลวงตัวเองดื้อด้านไปเฉยๆเนื้อมาเห็นจช่นนี้แล้วก็ปล่อยกันทิ้งมาได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วปล่อยตัวเองหลงปล่อยคนอื่นหลงไม่ได้ช่วยก็พลาดตล้ว พอเบืเ่อตั้งต้นจะความหลงก็มีความความเกิดเจ็บเจ็บตายไปไกลเหลือเกินความหลงไม่มีความโกรธก็ไปไกลเหลือเกินความโกรธ ก, ก็มีความโลภก็ไปกกลเหลือเกินความโลภถูกเผด็จการไปหมดส่งชาติก็ถูกทำลายไปหมดหม ด, ดเลยไม่รู้จะอาศัยอะไร เราจะดีคนเดียวไม่ได้เป็นเรื่องส่วนรวมควมถูกต้องเป็นเรื่องส่วนรวมความผิดพลาดที่เกิดกับเราควรเรื่องของส่วนรวมเป็นผลกระทบไปหมดคชีวิตชีวิตหนึ่งคนร้อยคนพันคนต้อเมีคนชั่วคนเดียวก็กระทบกระทนไปหมดพอจึง เป็นหน้าที่ของพวกเราเปึกหัดดัดแปงตัวเองได้สมผลแล้วได้รู้จริงๆได้เห็นจริงๆริงร่งที่มันเกิดเกิด ก, กายกระใจเลยมากหลายหลายอย่างก็จบดดอยจึงได้เป็นหลักป็นฐาน ก้อเฉือยก้อนเจีบก้อนตอยเป็นอย่างไรดยเห็นไม่เชื่อไปเป็นไปกรรมน่ะในถึงข่ามันเป็นจริงจริงก่อนมันก็เป็นสาวเป็นสีมันก็เชื่อได้ตธเหมาะนี่มันใช่ได้มีจริงๆมรรคผลนิพพานมีจริงๆรเหนือกเกิดเจอยเจีบตอยมีจริงๆ เราจะเรียกว่าแก่ก็ลองแก่ดูใช่ไหมแต่ก่อนเราเห็นความแก่เป็นในความคิดความสุขความทุกข์มันเป็นความแก่ที่เป็นขันธ์ห้ามันโชว์ใล่ล็อกมันโชว์บอก นี่คือความไม่เที่ยงลูกนี่มันไม่เที่ยงตป็นจากนี้มันลูกแล้วทำน้อยไวแล้วห้าสิบปีมาแล้วนี่คือความเป็นทุกขลูกแล้วทานายไว้แล้วลูกนี่เป็นอย่างนี้ลูกนามนี่เป็นอย่างนี้นี่คือมวามไม่เที่ยงเป็นเกณฑ์ที่บอกไว้แล้วลูกนี่ นี่ความทุกข์มันเป็อย่างนี้ความาใช้ตัวตนมันเกี่ยวอยู่ที่รูปที่นามนี่มันขี้ได้แล้วทํานายไปแล้วผูกขาดแล้วผูกขาดแล้วรู้แล้วนายต้องมาลู่ตัวเมื่อบรรจบบัรแจบรรตายต่อหน้าก็เป็นทุกข์ต่อประยุทธ์ถ้ามายึดก็ไม่เป็นทุกข์เป็นสภาพรุวนรุวน แต่ก่อนเอามาเป็นตัวเป็นตน้นร่อนคือเราหน่อคือเราหิ้วคือเราเจ็บปวกคือเรามันไม่ใช่าเป็นเหตุาการณที่เกิดขึ้นกับขันที่มันเป็นสภาพที่มันต้นขันร่นร่นได้ประโยชาาน์จากมันถ้าไม่แต่รูปนี่ไม่มีดูจากเก็บจากปวดจากร่อนจากหน่อมัก็เป็นดันตะลอย ก็อยู่ภูหลงเห็บกัดกอบคุณความเจ็บมันบอกสัญญาณภัยแล้วสองไฟฉายดูปรมือทำอย่างนี้ทาไมมันเจ็บมาก่าเหมือนกับมีเชื้อเมื่อมันเวาเมื่อไปทาก็เดียดเดเดเหมือนน้า มีหนามเพียบอยู่ในเนื้อสอ่องอฟฉายดูมันเป็นเห็บเป็นเลือดจนตัวพองขึ้นกับร <c oughs> ูกับขอบคนความเก็บที่มันเป็นรูปเนี่ยว่ารูไม่มีความรู้จะเก็บจากญญาเปญนหย่อนปก็มันจะลาย เราจึงมาได้เป็นทุกตอนมันเก็บจริงๆกับลูกเห็นความเก็บันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอาการของลูกอะไรเก็บผู้คมเก็บไม่ได้ต่อยผู้คมต่อยเพราะมันเห็นความจริงของลูกของงามเป็นอย่างนั้น หรือว่าไม่เก่เพราะความเกลถ้าเกลีจริงๆอย่างเวลานี้เกย7ปีหนึ่งเาจะเปรียบเทียบหับขอภาเนาะก็มีความสุขแบบหนึง่งสองวันสมวันมานี่ไปดูพระทำงานที่วัดภูเขาทองขอกันปูขาบ่างหล่อหลงใจพระทำากันเดง พระวัดป่าจุกรโตพระวัดพูเขาทองเก่งมากในการทํางานไม่ต้องมีใครบอกใครบอกว่าคุณทําผมไม่เคยช่วพ่ออย่างนี้นะเขาบอกเป็นไม่ต้องมีใครบอกทําเองอย่างเอาไว้เดี๋ยวเก็บอกไม่ต้องทำเองเราก็ะทำได้แบบไหนตอนนั้น ประทำแบบได้ก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> ถ้าเป็นพระหนุ่มเพราะอดทนไม่ได้ที่ต้องทำช่วยกันนี่ดูดเราก็ทําม่ได้นอนนอนดูเฮ้มันแก่ก็ดีนะไปนอนดูพทําำนะถ้าไม่แก่นอนดูไม่ได้ต้องจับปูนจับทรายเฮ้แก่ก็ดีนะอะมันใช่ว่าแก่เป็นโรคนะมองแก่ด้วยซิแก่ไปบ้างจะ เน <eri> <ะ>ี่ยอยู anything, remotely, atheist, ่ด <if> ีกว่เมืก่อนเหมือนหนึ่งอาจารย์อาจารย์ถวิลหรือจะตัดธาตุโลกจิตเจ้าคนพุทธทาตหัวเยี่ยมหัสำบ้าอาจาร์นักศิลป์เราคุยกันถามเรื่องงานเรื่องการที่ทําอยู่นี่เั็นพวกเรามาปฏิบัติ ปกติอยู่เป็นมาอย่างไรถามจะน้องฉีนท่านฉนพูดเรื่องการเรื่องงานให้ฟังแล้วก็พูดตอนหนึ่งว่าสำหรับหลวงพ่อปล่อยลอยตัวสวายอย่าฉีนลอยอย่างนะสำหรับหลวงก็ อ, อลอยตั ว, ว, ตวนี่นี่นเกิดอะไรึ้นทําไมครบปล่อยให้เรา้อยตัวเอาไปคิดห่วงให้เราไปทํางานเรียกไปช่วย ไม่มีใครเรียกสองพ่อไปช่วยงานช่วยกันถ้าเป็นพระหนุม่มเราก็บอกว่าวันนี้วันกรรมกรนะวันที่ขึ้นสิบสี่ข้ามแล้วสิบี่ข้ามเป็นกรรมกรที่นี่โอะสองหนุมหน่มหนมแม่ชีหนุ่มช่วยกันทํางานวัดหรอวันวั ด, วดใหญ่ขึ้นหลังคาดูไบไม้ในหลางน้ำปวดหลางน้าําทําทุกอย่างซ่อมแชมตัดต้นไม้ล้มขวางทางช่วยกันเยอะ ร้นกับอก่อนแต่เราเป็นพระเจอก็เฉยปล่อยลอยตัวเขาปล่อยลอยตัวเขาปล่อยทิ้งก็เรว่องวะเจอก็ดีนะถ้าใครยังไม่เคยเจอก็เจอลงด้ว <c> ย <oughs> อย่างน้อยตอนนี้เจ็ดสิบแปดสิบนะทุกคนเนอะนี่มือนก็เป็นอย่างนี้ทำไมไปท่องทุกทำไมไปต้องทุกันหลายไว้เดือดร้อนหลาย ลูกนี่นาะมนี้มันมาให้เราใช่ต่อยอดนั้นมาไล่เป็นดีได้ทุกอย่างอย่าไปรับใช้มันไปหลงทําไมไปโกรธทาไมไปทุกข์ทำไมทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําไมแล้วคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรก็ได้จะคิดอะไรทั้งค่อคิดเป็นงานเป็นการอย่าไปคิดแบบหมวัวชัว สมส่นโศภีนีของกิจคิดอะไรก็ได้ไม่ใช่ทำไม่เราก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นสุขผู้ความคิดเป็นทุกข์ผู้ความคิดนอนไม่หลับกินไม่ได้เปิดโลกกูกไฟไข้เจียวผู้ความคิดลูกไฟสาอพราะความคิ ด, ค, ค, ดคิดมากมากเปิดโลกแจกซ้อนทำไมเราจึงต้องมาฝึกตัวเองสอนตัวเองจุดจะดึงลู่จุกตัวนี่ ถ้าคิดทีใดกับหมารูจากตัวทีใดก็หัดถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปหัดสำเพ็งเพื่อจะได้ใช้มันมีค่ามากมากรูปนี่นามนี่มีค่ามากที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นประโยชน์ต่อญาติถากิรยประโยชน์ต่อญาติ ใครมีลูกสาวลูกชายใครมีสามีปัญญาลูกหลานเป็นคนดีก็ประโยชน์ต่อญาติคนที่มีความเจ็คือผู้เจ็วห้องกับหลองโลตัสทาเขี้ยาประโยชน์ต่อโลกโลกก็จะรับฟองเป็นธรรมเป็นดินดกากาศม่น้ำไม่เห็นเมติไม่ใช้ช้าละจริงประโยชน์ต่อภาษาศาสนา ชีวิตคือศาสตนาบอกการสอนกันในความสมัครใจเดินมากเป็นผลสร้างมักสร้างผลได้รูปนี่นามนี่จาไม่มีรูปในนามไปเอาอะไรไปสร้างมักสร้างผลไม่ได้เกิดมาได้รูปในนามมานี่เพื่อมาสร้างมากสร้างผลดีขอบคุณความแก่ความเก็บของตใจจะได้อยู่เหนือจชิงหนุ่มนี่ โดยลราคาสอนพระพุทธเจ้ามีจริงจริงพระพุทธเจ้าธรรมะที่รำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีจริงจริงวิธีปฏิบัติธำใหเกิดพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์มีจริงจริงอยู่ในกายในรูปในนามนี้ลบชีวิตเกิดมามีชิดทิศเราหลงเรามีสตไม่หลงเด็ดขาดไม่ต้องขอญาติใคร ไม่มีคนหมายหวังครับเราทุกเหล่านี้ชีวิตใหม่ทุกต้องมจึงเปทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำไม่ควรเดือดร้อนไอ้พูดแล้วว่าจะไม่ทําคนอื่นเดือดร้อนเดือดขาดจะไม่ทำใม้สิงอื่นคนอื่นจึงอื่นวุฒิอื่นผิดพลาดเดือดขาดจะทําให้ตัวเอง เป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดอย่าไม่เอาเรื่องที่เกิดกับกากับใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เด็ดขาดเด็ดขาดเป็นเจนที่วัดความถูกต้องกับชีวิตดังนี้เด็ดขาดจุดที่ร้อยประชนอยู่ที่ไหนก็มีอยู่นี่ไปมาแล้ว1ิเจ็ดประเทศก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไปบอกคนไปบอกคนปรเทศของจริง ตอผู้ตคนได้บอกแล้วได้บอกแล้วคนนั่งอยู่นี่ก็ประมาณร้อกว่าคนเน่ยาหลงไม่จริงไม่หลงจริงกว่าความทุกข์ก็ไม่จริงความทุกข์จริงกว่าความโกรธก็ไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่ามีสติได้บอกแล้วหรือว่าได้บอกแล้วไม่ใช่ความผิดของหล่อหล่อ คนชีวิตเลี้ยงด้วยคนอื่นผู้อื่นให้เราเราขอมีหน้าที่ทำอย่างนี้โดยโตรงได้บอกอย่างนี้ได้สอนอย่างนี้จึงจึงว่าไม่เป็นบาปไม่ใช่เราเป็นโจรผู้ลอยชาวบ้านบำรุงชาววัดทั้งอยู่มีเข้าให้อยู่ให้ฉันมี ให้ให้นุ่งให้ห่มมห้ยารักษาโลกให้รักษาให้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วจะน่นจริงหรือว่าไม่ผิดพลาดแต่ก็ล้มเหลวในความล้มเหลวผลงานไม่มีการใช้ชีวิตตุ่มเตือนนี่ล้มเหลวหมด เต่อตัวเองไม่ลบเหนยวไม่ใช่ความผิดของเราสอนคนไม่สูบบุรืก็ยังสูบสอนคนไม่กินเล่าก็ยังกินเล่าสอนคนไม่ทะเลาะว่ากันยังทะเลาลวะว่ากันอยูรักษาฝาบาก็หมดรักษา ส, สดสดก็หมดรักษาดินนา้นาน้าก็ดินน้ำก็หมดสภาพจนได้เกิดงาน ไม่มีอันจะทำทำหมดทุกอย่างเรื่องธรรมชาติจิตรลอมผู้คนบอกเฉยๆไม่เพียงขอแสดงออกหลายรูปแบบตั้งหลายแแบบแบบอะไรเพื่อปฏิบัติต่อกันแล้กันในวดัดในว่งในว่ า, น ใ, นวานในเรือนชุมชนก็ทั้งหมดแล้วเรื่องควง สมหวัชั่มชีควางอยู่ดีมีจุว่าเชอร์มานเที่ยวจู่ที่นี่เท่านั้นเงื่อหลายหมาหลายรูปหลายแบบเสียงเป็นแสียงตายมาก็ไม่ค่อยได้ผลล้มเหลวหมดเเต่เราไม่ล้มเหลวจึงเกิดงานขิ้นจุดได้ธรรมญาตาิตีข้องลงเปล่าไปทำกรรมในบ้านในถิ่นที่เราอยู่ล่มน้ำละว่าทา ีนี่เป็นปีที่13เดืนที่1ถวันที่7ตีข้องล่งเปล่าเดินจากปลายน้ำถึงต้นน้ำปากอำเภอเมืองอำเภอ่ส้นข้อสายน้ำลำมาาบอกว่าปาม้าม้ลองให้แม่น้ำล้มป่วยแี่นดินจะมาพาดอากาศเปลนทิต เราจะอยู่กันยังไงหัวร่วมมือร่วมใจช่วยกันก็มันก็เกิดจากคนดีไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มันทาให้จิงเรานี้เฉลี่ยโฉมออสอนทาไปพางที่โทษทีพหายไปพงังที่แหงเขาดูมาดูมาดูปองไปต่างื่นกับทิตได้แต่ก่อนเป็นป่าเป็นเขาแม่น้ำสาย ส่วลำมะเทาเนี่ต้องมีท่าลงมีหลันชันถ้าไม่มีท่าข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้มันลา่าไปหมดแล้วต่อไปก็จะหืนเติรนหรือเป็นหัดซ้ายหมวแม่น้ำในหลันชันลาประเทศอินเดีย <c oughs> มีแต่ซ้ายหาดไม่แม่น้ำชนหน่วยเลยจะจีอย่างไงก็ไม่ลูกไม่หลอน ข้องหองร้องต่อไปะฉะนั้นนี้ก็ <c oughs> อย่างลรเร่หมดเทศไทยก็มีเชื่อแดงเชื่อเหลืองจะรบกวากันถ้าเราบาลูกตัวอ่องกินเิงหยุดตัวเองมันจะทำมาได้จะล้มก็ไม่ได้ จะไปเปียบเทียบกันทําไมเอาเปรียบกันทําไมเข้าถึงฉินถนึงทำจริงๆไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีคู่หลายมีแต่เมตตาปาณีช่วยเหลือเพื่อเพื่อแผ่ต่อกันแล้วกันหน่าชงสอนที่คนเราเนี่ยหให้กันทุกข์ไว้ได้เป็นความอ่อนเดียวที่จุด คือกดก็ตายเหย็บกดก็ตายมันยังจะเก็บอยู่ไหนยังเก็บอยู่เป็นเดือนสองเดือนแล้วเห็บเฉยเฉยบวมขึ้มาแล้วหนองออกจับเก็ดหายไปในนมาก็บวมขึ้นใหมา่นี่มันอ่อนแกระนใ น, นชีวิตของเราเนี่ยเราไปโกดซ่อมเติมมันตั้งแต่รูปก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ไปหาเรื่องให้มันทุกข์อีกไปคิดอีกเป็นเล่าโมยาแต่ทำไมเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษดีหน่อยอย่างที่เกิดจากการกรรทาของตัวเองเกิดเล่าไปใครเจียบดานจึงมาดูแลตัวเองให้ดีๆมีกายมีใจเท่านี้สามารถดูแลคุ้มีมชติเป็นเจ้าขอ อย่าปล่อยกายปล่อยใจทิ้งอย่าทิ้งความทุกข์ไปให้ลูกให้นามอย่าทิ้งความโกรธไ้ให้ลูกให้นามอย่าทิ้งความเศร้าหมองไว้ให้เจลูกเพียงนามลูกนามต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทําได้มีสติเป็นผู้ดูลแลการปฏิบัติธรรมก็คือมีสติดูแลกายใจะให้คุ้มสัเกเจ็ดหันเจ็ดวัน จะได้นิสอยอือจะให้จอนจงสินพูดต่อหมดเสียงแค่นี้หมดเสียงไม่มีเชียงตีห้าห้านาทีแล้วเนาะก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาพร้อมกัน